ขันธจักรปทมฌานและทุติยะฌานสองร้อยแิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปทมฌานและทุติยะฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปทมฌานและทุติยะฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทําปทมฌานและทุติยะฌานให้แจ้งแล้ว ต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานและตติยฌานภิสูุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและตติยฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและตติยฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทําปฐมฌานและตติยฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก ปฐมฌานและจตุตฌานภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและจตุตฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและจตุตฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทําปฐมฌานและจตุตฌานให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิก ปฐมฌานกับสุญญตาบิโมกอานิมิตตบิโมกและอัปานิหิตตบิโมกพิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตาบิโมกแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอานิมิตตบิโมกปฐมฌานและอัปานิหิตตบิโมกแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปะนิหิตะวิโมกข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปะนิหิตะวิโมกให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาราชิกปฐมฌานกับสุญญาตสมาธิอนิมิตตสมาธิและอัปะนิหิตตสมาธิ ภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสุญญตะสมาธิแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอนิมิตะสมาธิปฐมฌานและอัปนิหิตะสมาธิแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอปัิหิตะสมาธิข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌาน และอภปนิหิตะสมาธิให้แจ้งแล้วต้องอบัตปาราชิกปทมะฌานกับสุญญาตสมาบัติอานิมิตะสมาบัติและอภปนิหิตะสมาบัติภิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปทมะฌานและสุญญาตสมาบัติแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าปทมะฌานและอานิมิตะสมาบัติปทมะฌานและอภปนิหิตะสมาบัติแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอัปปนิหิตะสมาบัติข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอัปปะนิหิตะสมาบัติให้แจ้งแล้วต้องอปบาทปาราชิกปฐมฌานและวิชาสามภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและวิชาสามแล้วด้วยการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและวิชาสามข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและวิชาสามให้แจ้งแล้วต้องอบัติปาราชิกปฐมฌานกับสติปทานสสมประทานสี่และอิทธิบาท4ภิกษูกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสติปทานสี่แล้วด้วยอาการ3มอย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสมประทานสี่ ปฐมฌานและอิทธิบาทสี่แล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอิทธิบาทสีข้าพเจ้าเป็นผู้ชํานาญข้าพเจ้าทําปฐมฌานและอิทธิบาทสี่ให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับอินรียห้และพระห้าภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอินทรี่ห้าแล้วด้วยอาการสามอย่าง ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและพระหแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและพระห้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและพระห้าให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับโพธชงเจ็ดสงร้อยเก้ิสูุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโพธชงเจ็ดแล้ว ด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและโพธิชงเจตข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและโพชิชงเจตให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับอริยมรรคมีองแปดภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ข้าพเจ้าเข้าอยู่ ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์8ดข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอริยมรรคมีองค์แปดให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับโซดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลและรหัตผลภิกสุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและโสดาปฏิพนแล้ว ด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานและสกทาคามิผลปฐมฌานและอนาคามิผลปฐมฌานและอรหันตผลแล้วข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานและอรหันตผลข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนานข้าพเจ้าทำปฐมฌานและอรหัตผลให้แจ้งแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับการสละราคะ โทสะและโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยอาการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วและข้าพเจ้าสละราคะแล้วข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วและข้าพเจ้าสละโทสะแล้ว ข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วและข้าพเจ้าสละดไขพ้นละสลัดเพิกถอนโมหะขึ้นแล้วต้องอาบัติปาราชิกปฐมฌานกับภาวะที่จิตปลอดจากราคะโทสะและโมหะภิกษุกล่าวเทศทั้งที่รู้ว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมฌานแล้วด้วยการสามอย่างข้าพเจ้าเข้าอยู่ข้าพเจ้าเป็นผู้เข้าแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ปฐมฌานข้าพเจ้าเป็นผู้ชำนาญข้าพเจ้าทำปฐมฌานให้แจ้งแล้วและจิตของข้าพเจ้าปลอดจากราคะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโทสะจิตของข้าพเจ้าปลอดจากโมหะด้วยอาการสามอย่างด้วยอาการเจ็อย่างคือวงเล็บหนึ่งเบื้องต้นเธอรู้ว่าจะกล่าวเท็จวงเล็บสองกำลังกล่าวก็รู้ว่ากำลังกล่าวเท็ศ วงเล็บสามครั้นกล่าวแล้วก็รู้ว่ากล่าวเทจแล้ววงเล็บสี่อำพรางความเห็นวงเล็บห้าอำพรางความเห็นชอบวงเล็บหกอำพรางความพอใจวงเล็บเจอำพรางความประสงค์ต้องอาบัติปาราชิกคันถจักจบ